มีใครอยากจะถามอะไรไหมยังไม่มีไม่เลไม่มีไม่มีเดียวหาหาคำถามไหม <c oughs> เรื่องที่พวกเราอยากจะรู้กันก็คือเราเกิดมาทำไม ทำไมเราจึงต้องมาเกิดเกิดแล้วเราควรจะทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์สุขกับเราที่จะไม่เป็นทุกข์กับเราแต่เท่าที่ผ่านมาการกระทําของเรามันไม่ได้เป็นประโยชน์สุขอย่างเดียวมันเป็นทุกข์ด้วย เรายังร้องห่มร้องไห้ยังมีความเศร้าโศกเสียใจกันอยู่เพราะว่าเราไม่รู้เหตุที่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเกิดจากอะไรถ้าเรารู้เราก็จะสามารถหักห้ามความเศร้าโศกเสียใจของเราได้ ถ้าเราไม่ได้มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนเราจะไม่รู้สาเหตุของความเศร้าโศกเสียใจของพวกเราว่าเกิดจากอะไรทุกคนที่เกิดมานี่มีใครไม่มีใครที่ไม่ร้องห่มร้องไห้กันไม่มีใครที่ไม่มีความทุกข์ใจกัน ไม่ว่าจะร่ำจะรวยใจยากจะจนไม่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเป็นผู้น้อยทุกคนมีความเศร้าโศกเสียใจมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคยมีความไม่สบายใจเคยร้องห่มร้องไห้ แต่วันหนึ่งพระองค์ก็สรงหาเวลามาศึกษาค้นคว้าหาเหตุที่ทำให้พระองค์เศร้าโศกเสียใจทำให้พระองค์ไม่สบายใจพระองค์ก็เลยไปบวชเพราะถ้าอยู่ครองเรือน เป็นพระราชาโอรสเป็นเป็นกษัตริย์จะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุของความไม่สบายใจของความเศร้าสูกเสียใจเพราะจะมีเหตุการณ์ที่จะมาดึงเอาเวลาที่จะมาใช้ค้นคว้าหาสาเหตุนี้ ชีวิตของพวกเรานี่ถูกเหตุการณ์ต่างๆถูกความจำเป็นต่างๆบีบขคันให้เราต้องไปทำอะไรต่า ง, างๆกันจนไม่มีเวลาเวลาที่จะมาค้นคว้าหาสาเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจกันจนก็เราทุกคนถือว่า เป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของชีวิตของเราที่จะต้องร้องห่มร้องไห้กันที่จะต้องเศร้าโศกเสียใจกันก็เลย ไ, ไม่มีใครคิดที่จะแก้ความเศร้าโศกเสียใจนี้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนมีความเศร้าโศกเสียใจมีความไม่สบายใจ เหมือนกันหมดบางคนก็ศึกษาค้นคว้าก็เห็นว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นที่เรารักที่จะต้องมีอันเป็นไปที่จะต้อง ก, การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ เกิดความตายขึ้นมาเวลาเกิดเหตุการณ์กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนที่เรารักเราก็จะเศร้าโศกเสียใจกันเราก็เลยพยายามหาวิธีรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตาย มีนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้านี่พยายามหาวิธีหายาหาอะไรที่จะทำให้ร่างกายไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ไม่ว่าจะคน้นคว้าไม่ว่าจะศึกษาไม่ว่าจะหาอะไรมา ใช่กับร่างกายร่างกายมันก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเมื่อร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องร้องหมร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเพราไม่รู้ว่าจะทํำยังไง ถึงทำให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พระพุทธเจ้านี้กับค้นคว้าอีกทางหนึ่งแทนที่จะไปค้นคว้าที่ร่างกายที่ทรงรู้ทรงเห็นว่าทำยังไงมันก็ต้องแก่ทำาังไงมันก็ต้องเจ็บทำยังไงมันก็ต้องตาย อให้ดูแลรักษาร่างกายดีขนาดไหนหายาวิเศษขนาดไหนมารับประทานอาหารวิเศษขนาดไหนมันก็ยังห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้พระองค์ก็เลยเปลี่ยนทิศทางของการค้นคว้าจากที่จากร่างกายมาดูที่ใจของพระ อ, องค์เอง ทำไมบางเวลาใจของพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจบางเวลาทำไมถึงเศร้าโศกเสียใจก็ทรงคนพบว่าเกิดจากความอยากของพระองค์เองเวลาที่ไม่มีความอยากให้น่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็รู้สึกไม่มีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจตอนนี้พวกเราก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจกันเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีความอยากให้ร่างกายของเราหรือของคนที่เรารักไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันแต่เราจะมาเสียใจตอนที่ร่างกายของเราร่างกายของคนที่เรารักนี้ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายไปตอนนั้นถึงจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทำไมไม่เศร้าโศกเสียใจตลอดเวลาเพราะตอนนี้ตอนนี้ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะอะไรเพราะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครตายแต่พอมีคนเจ็บไข้ได้ป่วย มีคนตายก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาก็เลยทรงค้นคว้าถามตัวเองว่าที่เราเสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกเสียใจเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้ร่างกายเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บนั่นเองเราอยากจะให้มันหายพอมันเจ็บไขยได้ป่วยเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมา หรือว่าถ้าร่างกายเราจะตายหรือร่างกายของคนอื่นที่เรารักจะตายหรือตายไปเราถึงจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาในตอนนั้นมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากของเราใช่ไม้มอยากให้เขาไม่ตายอยากให้เขาหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บ พอเขาไม่หายพอเขาต้องตายไปเราก็เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาพระองค์พระพุทเจ้าก็เลยส่งคนพบสาเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราของความไม่สบายใจของพวกเราว่ามันเกิดจากความอยากของพวกเราอยากให้สิ่งที่ไม่เทีย่ยงเทีย่ยใช่ไหม อยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเพราะเราไปถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นมันเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราใช่ตหมร่างกายนี้เราคิดว่าเป็นของเราเ ห, รหรือเปล่าทุกคนก็ต้องคิดว่าเป็นของเราแล้วก็คิดว่ามันเที่ยงคิดว่ามันจะอยู่ไปเรื่อย ไม่มีวันตายแต่พอไปเห็นร่างกายของคนอื่นตายขึ้นมามันก็เลยทำให้เราเห็นร่างกายของเราว่ามันต้องตายเหมือนกันตอนต้นไม่รู้หรอกพวกเราตอนที่เกิดมาตอนเป็นเด็กนี่ไม่เคยเห็นคนตายกันไม่รู้ว่าร่างกายของเรานี้จะต้องตายกัน แต่พอเราโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆเราก็เห็นคนที่เรารู้จักคนใกล้ชิดสนิทกับเรา mm. เช่นปู่ย่าตายายพีป่ป้านะะอาลุงป้านะะอาบางทีพ่อหรือแม่ก็ต้องตายไปแล้วก็ทำให้เรา มองกลับมาดูที่ร่างกายของเราเราก็เห็นว่าร่างกายของเราก็ต้องต้องตายไปเหมือนกันแต่เราไม่อยากให้มันตายกันความอยากไม่ให้ร่างกายตายเนี่ยมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันเศร้าโศกเสียใจกันไม่ใช่ความตายของร่างกายเวลา ร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักตายไปเราไม่เห็นเศร้าโศกเสียใจเลย<ม>พราะเราไม่รู้จักเขาเ<ม>พราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตาย<ม>เขาตายก็เป็นเรื่องของเขา<ม>แต่ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรารักของคนที่เรารู้จักเวลาเขาตายนี่เราจะเศร้าโศกเสียใจ เพราะเราไม่อยากให้เขาตายความอยากของเราอยากให้ของที่ตายไม่ตายนั่นเองคือของที่ไม่เที่ยงเที่ยงของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าให้เป็นของเราไปเรื่อยๆของต่างๆที่เราถือว่าเป็นของเรานี้ความจริงมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของเราชั่วคราว เป็นเหมือนของยืมเขามาร่างกายเราเนี้ยเราคิดว่าเป็นของเราแต่เป็นความจริงแล้วเป็นของที่เรายืมเขามาเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปเจ้าของเขาก็จะมาเอามาเอาร่างกายนี้กลับคืนไปเจ้าของนี้ก็มีอยู่สี่คนด้วยกันที่เป็นเจ้าของร่างกายเราคนแรกก็คือดินชื่อว่าดิน คนที่สองก็ชื่อว่าน้ำคนที่สามก็ชื่อว่าลมคนที่สี่ก็ชื่อว่าไฟเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะมาเอาร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรานี่กลับคืนไปน้ำก็จะเอาส่วนน้ำไปลมก็จะเอาส่วนลมไปไฟก็จะเอาส่วนไฟไปดินก็จะเอาส่วนดินไป นี่ะคือของที่ไม่ใช่เป็นของเราที่เราไปหลงคิดว่าเป็นของเราพอเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราเราก็รักมันหวงมันพอเรามารู้ว่ามันจะต้องตายเราก็เลยทุกข์กันเพราะเราไม่อยากให้มันตายกัน พระพุทธเจ้าก็เลยทรงสรุปได้ว่าความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของเราไม่ใช่เกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายความอยากของเราไปอยากให้ของที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงเพราะเราคิดว่ามันเที่ยงคิดว่ามันเป็นของเรา เราไม่เคยคิดว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเราไม่ยอมคิดกันใช่หไหมคาว่าตายนี่ห้ามพูดกันในบ้านใช่ไชอะอนี่แหละมันเลยปิดความจริงเราหันหลังให้กับความจริงเราไม่ยอมมองความจริงเราก็เลยไม่เห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยง ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็เลยหลงไปกับความคิดว่ามันไม่ตายหรอกมันอยู่ไปได้เรื่อยๆอยู่ไปนานๆนอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละก็ขอให้มันอยู่ไปเรื่อยๆเวลาใครอวยพรขอให้อยู่ไปนานๆ น, น, นี่ยิ้มกันทุกคนพอใครสาบว่าขอให้ตายเร็วๆนี่ก็โกรธกันทุกคน โกรธกันทุกครั้งทั้งๆ ท, ที่คําอวยพรกับคำสาบนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้ร่างกายอยู่หรือร่างกายตายร่างกายมันจะอยู่ต่อให้สาบยังไงมันก็ไม่ตายร่างกายมันจะตายสต่อให้อวยพรยังไงมันก็ตายความคิดของเราก็เหมือนกันเราจะคิดว่าร่างกาย ตายหรือไม่ตายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงของร่างกายเราพยายามไม่คิดกันเพื่อเราจะได้ลืมมันเราจะได้ไม่ต้องมาทุกขเนเพราะถ้าเราคิดถึงความตายคิดว่าร่างกายต้องตายนี้เราจะไม่สบายใจกันขึ้นมา ท, าทันทีทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตายเลยเพียงแต่คิดเท่านั้นเองมันก็ทาให้เราเศร้าล้ว ทำให้เราหดหูใจเราจรึงไม่อยากจะคิดความจริงพอเราไม่คิดความจริงเราก็เลยลืมไปเราก็เลยอยู่แบบว่าเราไม่ตายกันแต่วันวันดีวันวันใดวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาตอนต้นอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวเราอาจจะเกิดกับคนใกล้ตัวเราก่อน เ, เกิดขึ้นมานี่เราเหมือนกับถูกฟ้าผ่าความจริงมันมามันมาประเชิญหน้าเราว่าความตายนี่มันมาเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก็เลยรับไม่ได้เราก็เลยเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเพราะเราปฏิเสธมันมาตลอด เราไม่ยอมคิดถึงมันไม่ยอมหาวิธีรับกับเหตุการณ์พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็เลยทำอะไรไม่ได้ได้แต่ความเศรา้าโศกเสียใจความทุกข์ใจกันเพราะเรายังมีความอยากอยากให้คนที่เรารักไม่ตาย อยากให้เราตัว เ, เราเองไม่ตายแต่พอเราไปเห็นคนที่เรารักตายไปเราก็เลยเศร้าโศกเสียใจความเศร้าโศกเสียใจนี้มันเกิดจากไม่ได้เกิดจากความตายของร่างกายเพราะเวลาร่างกายของคนอื่นตายของคนที่เราไม่รู้จักหรือของคนที่เราไม่รักตายไปเราไม่เห็นเศร้าโศกเสียใจ แต่คนที่เรารักคนที่เรารู้จักพอเขาตายเราเศร้าโศกเสียใจเพราะเราอยากให้คนที่เรารู้จักเรารักนี้อยู่ไม่อยากให้เขาตายนั่นเองแต่คนที่เราไม่รู้จักคนที่เร า, าไม่ได้รักนี้เขาตายเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้เขาอยู่ เราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายก็จะได้ข้อสรุปว่าความเศร้าสศก ข, ของพวกเรานี้อยู่ที่ความอยากของพวกเราและก็ความจริงก็คือไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครร่างกายของคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รักร่างกายของคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักหรือร่างกายของเราเองมันก็ต้องตายเหมือนกันทุกคน ทำไมเราไม่ทาใจของเราให้ให้มีเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่รักนะถ้าเราทําใจของเราให้เรามีความรู้สึกกับคนที่เราไม่รู้ไม่รักเราไม่รู้จักได้เวลาคนที่เรารักคนที่เรารู้จักตายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเราก็จะไม่ทุกข์เวลาร่างกายเราตายไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะ เราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์กับความตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามก็อยากไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายเท่านั้นเองก็นึกถึงคนที่เราไม่รู้จักเวลาเราเศร้าโศกเสียใจเราก็นึกถึงคนที่เราไม่รู้จักว่าเขากับคนนี้ก็เหมือนกันล่ะคนที่เรารู้จักกับคนที่เราไม่รู้จักมันก็ต้องตายเหมือนกัน ทำไมคนที่เราไม่รู้จักเขาตายเราไม่ทุกข์แต่คนที่เรารู้จักตายเราทุกข์ก็ทุกข์เพราะความอยากของเราใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักเขาจะตายไม่ตายเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่และให้เขาตายไม่สนใจแต่คนที่เรารู้จักนี่เราก็จะอยากให้เขาอยู่ไม่อยากให้เขาตายพอเขาตายเราก็เลยทุกข์กันนี่คือ เหตุที่ทําให้พวกเราทุกกันไม่สบายใจกันเศร้าโศกเสียใจกันไม่ใช่เพราะว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันเพราะว่าเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายะเราต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนทัศนคติใหม่เปลี่ยนความอยากใหม่ต้องหยุดความอยากต้องเห็นโทษว่าความอยากนี้เป็นเหมือนกับมี ที่เราเอามาทิ่มแทงร่างกายเราถ้าเราไม่เอามีดมาทิ่มแทงร่างกายเราร่างกายเราจะเจ็บไหมใจเราก็เหมือนร่างกายที่ใจเราทุกข์ก็เพราะว่าเราเอาความอยากนี่มาทิ่มแทงใจเราพออยากแล้วมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรา เป็นของเราไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สรงค้นพบที่เราเรียกว่าตัดสรู้ตัดสรู้ต้นเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งที่เรารักเราชอบนี้เที่ยงแท้แน่นอนถาวรเช่นอะไรราบยศสารเสริญสุขนี้ ทุกคนนี่อยากให้มันเจริญไม่อยากให้มันเสื่อมแต่โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกอย่างมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเช่นร่างกายของเราเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมเกิดมาแล้วตอนเกิดมาก็เริ่มเจริญเติบโตพอเจริญเติบโตจนถึงขีดสูงสุดมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มน้ำถอยหลัง พออายุ4 0 4 5ิบสี้นี่มันก็เริ่มนับถอยหลังลมันถึงจุดสูงสุดเหมือนกับเราเดินขึ้นภูเขาขึ้นดอยพอเดินถึงยอดแล้วถ้าเดินต่อไปก็ต้องมีแต่ลงแล้วมันขึ้นไม่ได้ลวมันถึงยอดแล้วก็ต้องเดินลงชีวิตหรือสิ่งต่างๆก็มีขึ้นมีลงแบบแบบยอดดอยนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการจเจริญถึงเขดสูงสุดของมัน แล้วมันก็จะนับถอยหลังเสื่อมลงไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นลาบยสะะศสารเสนมันก็เจริญสูญสลตรแล้วมันก็ต้องนับถอยหลังรวยรวยถึงไหนสักวันหนึ่งมันก็ต้องนับถอยหลังเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนมันก็ต้องนับถอยหลังอย่างค่าราชการนี้เห็นไหม พอถึงขั้นสูงสุดเป็นนายเป็นนายพลนายเป็นนายพันเอพอถึงอายุหกสิบมันก็มันก็จบราบยศสารเสริญสุขที่พวกเราหากันเนี้มันมีเจริญมีเสื่อมกันแต่ใจของเรามันบ้ามันไม่อยากให้มันเสื่อมไม่ยอมรับความไม่ไม่เห็นความจริงไม่ยอมดูความจริงเออ ชอบดูตามความอยากไม่ยอมอยู่กับความจริงชอบอยู่กับความอยากความจริงก็คือของมันเจริญแล้วต้องเสื่อมแต่ความอยากของเราอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสื่อมพอมันเสื่อมมันก็เลยทําให้เราทุกข์กันเวลามันเจริญมันก็ทําให้เราสุขกันต่มมิตร ลองสังเกตดูมีอะไรในโลกนี้ที่มีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมไม่มีทุกอย่างในโลกนี้มันเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมแอนถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะยอมรับมันและหยุดความอยากได้หยุดความอยากให้มันไม่เสื่อมได้พออยากยังไงไม่ให้มันไม่อยากไม่ไม่ให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมอยู่ดี อยากไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆทุกไปเปล่าๆแต่ถ้ายอมได้ยอมให้มันเสื่อมได้ยอมรับกับความเสื่อมได้อใจเราจะไม่ทุกข์กันใจเราก็จะเหมือนกับเห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราเงินที่ไม่ใช่เป็นของเรานี่เวลามันเสื่อมนี่เราไม่ทุกข์เห็นไหมเงินของคนอื่นถูกขโมยนี่เราเสียใจไหมไม่เสียใจแต่พอเป็นเงินของเรานี่เสียใจเอ เพราะอะไรเพราะความอยากของเราอยากไม่ให้เงินของเราเสื่อมแต่เงินของคนอื่นจะเสื่อมไม่เสื่อมเราไม่ได้มีความอยากเราก็เลยไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นเงินของคนอื่นเราอยากไม่ให้เสื่อมเราก็เดือดร้อนได้เช่น <lerde? S 1> เงินของพ่อแม่เราไม่อยากให้เสือ gage, ่อมเพราะอะไรเพราะต่อไปมันจะได้เป็นของเราก็เลยไม่อยากให้มันเสือ่อม เวลาพ่อแม่เอาเงินไปทำบุญดินลูกๆบางคนเสียดายแม่อยาไปทำมากเดี๋ยวไม่มีอะไรให้หนูนะทั้งๆที่ไม่ได้เป็นของตัวเองเป็นของคนอื่นแต่ไปยึดติดแล้วว่าจะเป็นของเราต่อไปในอนาคตพอเราไปยึดไปติดว่าอะไรจะเป็นของเราขึ้นมานี่เราจะหวงทันทีเราจะอยากให้มันไม่เสื่อมทันทีดนั้นเราต้องพยายาม วิธีแก้ความอยากก็คือเราต้องมองความจริงบ่อยๆมองความจริงเรื่อยๆเพราะความความอยากนี้มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงมันอยู่บนพื้นฐานของความหลงความหลงคือความไม่รู้ว่ามันจะต้องเสื่อมหรือไม่ยอมคิดว่ามันจะเสื่อมไม่คิดว่ามันจะเสื่อมก็ถือว่าหลงนะพระพุธทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราหมั่นคิดถึง เรื่องต่างๆของสิ่งต่างๆที่เราหลงไปคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเนี่ยให้คิดอยู่บ่อยๆว่ามันต้องเสื่อมไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของพ่อแม่พี่น้องของคนที่เรารักของลูกของหลานมันต้องเสื่อมลาบยศสรเสริญที่เราเป็นของเรานี่ยมันก็ต้องเสื่อม <c oughs> มันไม่เสื่อมจากเราเราก็เสื่อมจากมัน เวลาร่างกายเราตายไปราบยศสร็เสริญที่เรามีอยู่มันก็มันก็หมดไปมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปถ้าเราหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆมันจะแก้ความหลงแก้ความอยากได้ในระดับหนึ่งเช่นเรามาฟังธรรมนี้เราก็มาศึกษาความจริงแล้วเพื่อจะเอาความจริงนี้ไป สอนใจอยู่เรื่อยเตือนใจอยู่เรื่อยว่าของที่เราคิดว่าเป็นของเรานี่ความจริงมันไม่ได้เป็นของเราเนะมันเป็นของที่ยืนเขามายืนมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ก็มาจากดินน้าลมไฟข้าวของต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆมันก็มาจากดินน้ำลมไฟทองก็ขุดขึ้นมาจากดินเงินก็ขุดมาจากดินเพชรก็ขุดขึ้นมาจากดิน mm. ของต่างๆในโลกนี้มาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเวลาร่างกายเราดับนี่มันก็คืนสู่ดินน้ำลมไปแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆที่เราเป็นเจ้าของมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปให้เราคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะคลายความอยากได้ แต่ถ้าเรายังลายความอยากความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าใจเรายังมีกำลังไม่พอมีกำลังสู้ความยึดไม่ได้ความยึดติดความอยากมันยังมีกำลังมากกว่าเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมกันเพื่อมาสร้างพลังให้กับใจให้ใจหยุดความอยากให้ได้ตอนนี้ถึงแม้เรารู้ว่ามัน เรามีของที่ไม่ใช่ของเรามีของที่ไม่เที่ยงแต่เราก็ยังปล่อยไม่ได้เรายังรักยังหวงอยู่เหมือนเดิมเพราะส่วนหนึ่งก็คือเรายังต้องอาศัยมันให้ความสุขกับเราเราอาศัยลาบเงินทองเข้าของต่างๆให้ความสุขกับเราเรามีเงินเนาเราก็เกิดความสุขขึ้นมาพอเราได้ใช้เงินก็เกิดความสุขขึ้นมา เอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเห mm. ็นถ้าเราต้องการที่จะเลิกใช้เงินใช้ทองเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราไม่เลิก mm. เดี๋ยววันหนึ่งเวลาที่มันหมดนี่เราจะทุกข์กัน mm. เวลาที่มันเราไม่สามารถหาเงินทองได้ mm. เราจะทุกข์กัน mm. เราก็เลยต้องมาสร้างความสุข อันใหม่ความสุขที่เราไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทองไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราก็คือความสุขใจนี่ความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิอันนี้แหละเป็นความสุขที่เราไม่มีกัน เราจรึงต้องไปพึ่งอาศัยความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากคนนั่นคนนี้จากสิ่ง น, นั่นสิ่ง น, นี้ซึ่งมันไม่เที่ยงซึ่งบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีเวลามีก็สุขแต่พอเวลาไม่มีก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาแฟนจากไปนี่ร้องห่มร้องไห้กันเพราะว่าความสุขที่เราได้จากเขามันก็หมดไป เราไม่รู้จะไปหาความสุขจากใครละตอนที่มีแฟนเราก็หาความสุขจากแฟนอยู่กันสองคนนี่ยิ้มเยี้มแจ่มใสเห็นหน้าเห็นตากันพอไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็เศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาว่าใจของเราไม่หาความสุขอีกทางหนึ่งเราไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน ที่มันไม่ถาวรเราอาศัยหาความสุขจากคนนั้นคนนี้เราก็ต้องมีร่างกายถึงจะหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ได้เราก็เลยต้องพึ่งร่างกายที่ไม่เที่ยงเหมือนกันร่างกายของเราเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันงนั้นพอเวลาร่างกายของเราไม่สามารถที่จะหาความสุขให้กับเราได้เราก็เศร้าโศกเสียใจกันซึมเศร้ากัน พระพุทธเจ้าในสองคนพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขก็คือความสุขที่เกิดจากการทาบุญให้ทานความสุขจากการรักษาศี่ความสุขจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถ้าเราทาบุญทําทานได้รักษาศีลได้ ต่อไปเราก็จะนั่งสมาธิได้ก่อนที่จะเรามานั่งสมาธิได้นี้เราต้องอรักษาศีลให้ได้ก่อนถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เราจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิละการที่เราจะมารักษาศีลได้เราก็ต้องทำบุญทำทานก่อนเพราะว่าคนทำบุญทำทานนี้จะรักษาศีลได้ คนที่ไม่ทำบุญนี้ไม่ชอบรักษาศีลชอบขโมยชอบรักทรัพย์ชอบโกงเพราะอยากจะได้เงินง่ายๆได้มากๆได้เร็วๆวิธีจะได้ง่ายๆมากๆเร็วๆก็มักจะต้องทาผิดศีลไปลักไปขโมยไปช่อกงไปหลอกลวงคนที่อยากได้เงินมากๆจะไม่ชอบทำบุญเพราะเสียดายเงิน อยากจะเอาเงินไปซื้อความสุขจากสิ่งต่างๆซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นก็เลยต้องใช้เงินกันก็ยังอาศัยการใช้เงินทองซื้อความสุขอยู่ถ้าเราอยากจะเลิอกอาศัยเงินทองซื้อความสุขเราก็ต้องเอาเงินทองเหล่านี้ไปทำบุญแทนหยุดการใช้เงินทองซื้อความสุข จะใช้ก็ใช้แต่เฉพาะกับความจำเป็นเช่นซื้ออาหารซื้อเสือ้อผ้าซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องมีแต่ก็ไม่ต้องมีมากมายมีพอประมาณมีพออยู่ได้ก็พอถ้าเราใช้เงินแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปหาเงินมากเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำบาป คนที่อยากจะหาเงินมากๆนั้นถ้าหาได้ไม่พอจากวิธีที่ไม่ได้ทำบาปก็จะไปทำบาปเพื่อจะได้มากๆทํทำบาปแล้วก็จะทำให้ใจทุกข์ไม่ใช่สุขเวลาทำบาปใจก็วุ่นวายวิตกกังวลกลัวจะถูกจับถูกจับแล้วก็ต้องถ้าถูกจับก็ต้องไปถูกลงโทษขังคุกขังตาราง อยู่ในคุกในตารางก็ไม่มีความสุขฉะนั้นอย่าไปทำบาปถ้าเราเอาเงินที่เราจะชอบไปซื้อของเยอะซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขต่างๆนี้มาทําบุญแทนเนี่เราก็จะไม่ได้มีความอยากที่จะใช้เงินแบบนั้นอีกต่อไปแล้วการทําบุญนี้มันก็ทําให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขกว่า ความสุขที่เราได้จากการเอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อของอะไรต่างๆกันขั้นต้นเราต้องทำบุญก่อนถ้าเรามีเรายังใช้เงินทองซื้อความสุขอยู่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีซื้อความสุขกันแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นต่างๆเอาเอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญแทนแล้วเราจะได้รับความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อของไปเที่ยวพอกลับมามันก็หมดแล้วซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้ออะไรที่เราอยากได้พอซื้อมาปั้มก็ความสุขที่ได้มันก็หมดไปละกระเป๋าเลยมีอยู่เต็มบ้านซื้อกี่ใบมันก็ยังมมันก็สุขเดียวเดียวแต่ถ้าเราเอาเงินมาทาบุญนี่มันสุขนานกว่าอิ่มกว่าแล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้า ไม่ต้องไปเที่ยวได้เป็นการแก้ความอยากที่จะไปหาความสุขทางทางซื้อข้าวซื้อของจากทางไปเที่ยวกันเมืใจเรามีความอิ่มแล้วเราก็สบายไม่ต้องหาเงินมากถ้ามีเงินเหลือเราก็ทำบุญหาเฉพาะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถ้ามีส่วนเกินเราก็เอามาทำบุญแต่เราจะไม่เอาเงินไปซื้อ ความสุขต่างๆอย่างที่เกิดเราทำอยู่มันก็จะทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมากก็ไม่ต้องไปทำบาปเราก็จะรักษาศีลได้พอเรารักษาศีลได้ใจเราก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปมันไม่มีแล้วเราก็จะมีเวลา ที่จะมาปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดกันได้จากศินห้าเราก็มาถือศินแปกันเพิ่มศินแปก็มีไว้เพื่อให้เรายับยั้งกิจกรรมทางร่างกายนั่นเองให้เรายับยั้งการหาความสุขทางร่างกายเช่นไม่นอนร่วมกับไม่ร่วมดับนอนกับใครศินห้านี่ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่แต่ถ้าถือศินแปนี่ไม่ไม่ให้ไปนอนกับใคร เอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่ามาสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้เกิดจากการนั่งสมาธิความสุขจากการทำบุญทาทานจากการรักษาศีลนี้ยังเป็นส่วนย่อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่จะได้จากการนั่งสมาธินี่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ใจรวมเป็นหนึ่งได้นี่ เราจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราพบกับความสุขอันนี้แล้วทีนี้เราทิ้งความสุขอย่างอื่นได้หมดเลยความสุขที่เราเคยหาจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นนกจากคนนั่นคนนี้จากสิ่งนั่นสิ่งนี้จากการไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆจากการไปเที่ยวจากกินจากการการดื่มการรับประทานอะไรต่างๆที่ไม่จาเป็น เราจะทิ้งมันได้หมดเลยเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับมันเวลามันเสื่อมเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนเวลาเสื่อมลาบเสื่อมสดเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญเสื่อมความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าอยู่ในตัวเรา พาะเราทุกคนมีของวิเศษอยู่ในตัวเราเรากลับไม่ไปหากันกลับไปหาของที่เป็นเหมือนเศษขยะเพชรนินจินดาที่มีอยู่ในตัวเราไม่หากันไปหาไปหาก้อนอิด ก, ก้อนกรวดก้อนทรายกันความสุขที่ยิ่งใหญ่มไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานีอ่อยู่ภายในตัวเราทำใจเราให้สงบเท่านั้นเองหยุดคิดให้ได้หยุดความคิดได้แล้วใจก็จะสงบ ใจก็จะรวมเป็นหนึ่งแล้วใจก็จะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ถ้ามีความสุขอันนี้แล้วก็ไปบวชได้อยู่คนเดียวได้เพราะไม่ต้องไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขถ้าเรามีความสุขอันนีแล้วแล้วเรามีปัญญาเห็นว่าความทุกข์ของเราความเศร้าโศกเสีสยใจของเราเกิดจากความอยากเราก็จะมีกำลังหยุดมันได้ พอเรามีสมาธิมีความสุขภายในแล้วแล้วเราพอเราเรารู้ว่าความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเราก็หยุดมันได้เพราะเวลาเราตั้งสมาธินี้เราหยุดเราหยุดทุกอย่างหยุดความอยากความอยากมันเกิดจากความคิดถ้าใจไม่คิดความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้อย่างตอนนี้ญาติโยมไม่มีความอยากเพราะไม่ได้คิด แต่เดี๋ยวถ้าคิดถึงขนมเ่เดี๋ยวก็อยากยากินนะคิดถึงกาแฟาก็อยากจะดืมะ่มนะตอนนี้ไม่ได้คิดก็เลยไม่มีความอยากเลยนั่งเฉยๆได้พยายามควบคุมความคิดไว้เถอะแล้วเราจะอยู่เฉยๆได้อยู่อย่างมีความสุขวิธีที่จะควบคุมความคิดก็มีหลายวิธีมีสี่สิบวิธีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบแต่เราเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่นเราใช้คำบริกรรมพุทธโธให้เราคิดแต่คำว่าพุทธโธพุทธโธไปภายในใจถ้าเราอยู่กับพุทธโธมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรือถ้าเราไม่อยากจะพุทธโธเราใช้การเฝ้าดูการกระทำของร่างกายก็ได้ไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เราก็คอยดูคอยดูมัน ทำงานด้วยสติมันได้ประโยชน์สองอย่างงานจะไม่ผิดพลาดสองใจจะไม่ต้องคิดปรุงแต่งใจจะสงบขอยดูเฉยๆเวลาแปลงฟันก็ดูว่ากําลังแปลงฟันกําลังหวีผมก็ดูว่ากําลังหวีผมอย่าแปลงฟันไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับการแปลงฟันเอาใจให้มาอยู่กับร่างกาย แต่ใจเราโดยปกติมันไม่มันไม่อยู่กับที่อยู่ตรงนี้ปั๊บเดียวไปตรงนู้นแล้วกาลังหวีผมอยู่ก็ไปคิดถึงลูกแล้วคิดถึงสามีนะคิดถึงงานนะแต่เดี๋ยวกลับมาที่ผมกลับไปกลับมาอย่างเนี้ใจมันเลยไม่มีวันนิ่งใจจะนิ่งมันต้องอยู่ที่จุดเดียวอย่าให้มันวิ่งไปวิ่งมาถ้ามันอยู่กับร่างกายก็ให้มันอยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆ ร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการทํางานของร่างกายไปกําลังหวีผมก็หวีผมไปกําลังแปรงฟันก็แปรงฟันไปกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งเนื้อแต่งตัวไปอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นถ้าอย่างนี้เรามีสติเราหยุดความคิดได้เพราะเราไม่คิดนเพราะเราอยู่กับร่างกายมีหลายวิธีแต่วิธีส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็สองวิธีเนี้ย ถ้ามันไม่ยอมอยู่กับร่างกายมันจะคิดก็ใช้พุโทโธดึงมันไว้พุโทโธพุโทโธไปหวีผมก็พุโทโธแปรงฟันก็พุโทโธอาบน้ําก็พุโทโธให้มันคิดเรื่องเดียวคิดแต่คำว่าพุโทโธอย่างเดียวไม่ให้มันไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะคิดแล้วมันจะเกิดอารมณ์เกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันจะร้อนพอเกิดความอยากขึ้นมาใจจะร้อนใจจะไม่สุข แต่ถ้ามันไม่มีอารมณ์ไม่มีความอยากถึงแม้ว่ามันยังจะไม่นิ่งสงบเต็มที่แต่มันจะว่างแล้วมันจะเย็นจะสบายมันก็จะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วพอมีเวลาว่างก็ให้มันมานั่งเฉยๆจับนา่งกายนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปถ้ามันไม่ไปคิดเรื่องอะไรเดียวมันก็รวมเข้าเป็นหนึ่งเข้าสู่สมาธิ ตอนนี้จิตเป็นกระจายออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตแล้ว อ, ออกมารับรูร้รูปเสียงกลิ่นรถทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เวลาเราพุโทโธพุโทโธนี้เราดึงกระแสจิตให้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายให้กลับไปอยู่ที่จิตนให้เป็นกลับไปอยู่ที่จุดเดียวเรียกว่าจิตจุดเขาเรียกจิตรวมตอนนี้จิตเป็นกระจายเหมือนแสงไฟฉายแสงไฟฉายพอเราเปิดไปมันก็กระจายออกไป พอรปิดสวิปิดสวิทไฟมันก็กลับเข้ามาที่หลอดไฟอันนี้ก็เหมือนกันการใช้พุทโธการใช้สตินี้เป็นการดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสใจเราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยความคิดไงคิดถึงรูปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็คิดคิดถึงเสียงของคนนั้นคนนี้คิดถึงกลิ่นของรถของอาหารของขนมเลยมันมันไปด้วยความคิด เราก็ต้องหยุดความคิดพอเราหยุดความคิดก็เหมือนกับเราปิดสวิตไฟเราปิดสวิตไฟที่มันวิ่งออกไปมันก็จะไม่ออกไปมันก็จะกลับเข้ามาถ้าเรามีสติดึงให้มันกลับเข้ามาถึงจุดข้างในได้จิตก็จะสงบเรียกว่ารวมจิตรวมเวลามันกลับเข้ามามันเหมือนตกหลุมตกบ่อมันวุบลงไปรวมแล้วมันก็นิ่งสงบตอนนั้นไม่ต้องทาอะไรแล้วมันไม่ออกไปแล้วเหมือนเราปิดไฟชายแล้ว มันจะไม่กระจายออกไปนะแต่มันจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ที่กําลังเขาสติบางทีก็อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็กลับออกไปหม่บางทีก็ถ้าฝึกบ่อยๆปฏบิบัติบ่อยๆสติมีกําลังมากขึ้นมันก็จะอยู่ได้นานมันก็จะนิ่งเฉยสงบแต่มีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิ่นรสพอมันมีความสุขกันนี้แล้วทีนี้มัน รู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่จะดีกว่า น, นี้ตั้งแต่บัดนั้นไปมันจะคิดแต่จะเอาดึงจิตกลับเข้าข้างในมาหาความสุขแบบนี้มันก็จะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลิกหาลาบยศสารเสรวนคนที่เขาไปบวชกันเนี่ยพระพุทธเจ้าไปบวชกันก็เพราะท่านได้พบกับความสุขในใจแล้วท่านก็เลยคือเอาเวลามาสร้างความสุขในใจนี้ให้มันมีอยู่ตลอดเวลาดีกว่า ต่อต้นก็ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวถ้าไม่นั่งก็ไม่ได้พอนั่งก็จะได้ทีนี้จะได้บ่อยๆก็ต้องนั่งบ่อยๆนั่งมากๆถ้าจะทําบ่อยๆก็ต้องเลิกทางานถ้าไปทํางานก็ไม่มีเวลาจะมานั่งก็ต้องไปบวชไปถือศีลเพื่อที่จะห้ามไม่ให้ไปทํางานอย่างอื่นไม่ให้ไปหาความสุขแบบอื่นศีลแปดนี้เป็นการห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นการไปน่วมหลับนอนกันการรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นคือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการไปเที่ยวไปดูมหัศลศบันเทิงต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามการนอนหลับบนเตียงใหญ่ๆฟูกนานๆ น, นอนมากๆนอนนานๆเนี่ยมันเป็นการหาความสุขทางร่างกายที่จะต้องมีวันหมด ต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่สามารถหาความสุขเหล่านี้ได้สู้อย่าไปหามันเท็บดีกว่าสู้มาหาคเอามาเอาเวลามาหาความสุขจากความสงบในใจเราดีกว่าถ้าใครลองได้พบกับความสงบครั้งเดียวแล้วจะติดใจแล้วก็จะมามาสร้างความสุขในใจมาหยุดความอยากต่างๆ ความอยากต่างๆต่อไปมันก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของเราความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะถูกกำจัดไปเวลาร่างกายเราแก่เจ็บตายหรือร่างกายใครแก่เจ็บตายมันก็จะเป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นไปเพราะเราไม่มีความรู้สึกอยากให้เขาไม่ตายไม่แก่เหมือนเราก็จะเฉยๆเราก็จะไม่เดือดร้อนต่อไปความเศร้าโศกเสียใจความไม่สบายใจต่างๆจะหายไปหมด พราะเรากำจัดความอยากต่างๆได้เพราะเราไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราเรามีความสุขภายในตัวเราแล้วคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราก็เลยไม่ต้องไปอยากให้แฟนเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราไม่ต้องใช้แฟนมาให้ความสุขกับเราไม่ว่าเราจะหาอะไรมาให้ความสุขกับเราถ้าเรายังต้องหามันอยู่เราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆ เราไม่อยากให้มันจากเราไปแต่ไม่ว่าอะไรของอะไรต่างๆมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากกันเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาอยู่ดีเถ้าตาบได้เรายังต้องหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้จากร่างกายของเราอยู่เราก็จะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราจะมีความอยากให้มันไม่จากเรามีความ อยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปนานๆไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันจะอยู่เป็นนานๆไปเร ère, เื่อยๆใช่ไหมทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีจุดจบ mm. พอเราไปเจอจุดจบตอนนั้นเราก็จะเศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าเราไม่ต้องไปอาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องไปอยากให้กับสิ่งต่างๆ อ, อยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเราปล่อยให้เขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาได้เขาจะอยู่ก็ได้เขาจะไปก็ได้เราไม่เดือดร้อนอะไรคนที่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวฝนตกก็ต้องกอยนะต้องเข้าศาลากันตอนนี้มันอาจจะลองใจเราดูบ้างลองนั่งไปก่อนแต่ก็พอดีก็ได้ข้อสรุปนะว่าความทุกข์ต่างๆของเรานี้เกิดจากความอยากของเรา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆให้มาพึ่งความสงบของเราในตัวเราให้มาพึ่งความสุขที่เราได้จากการทําใจให้สงบแล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆเมื่อเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างเราก็ไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะอยู่ไม่อยู่ก็จะจะเนื้อเสื่อมเราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยาถาวา ว, วาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิ ป, ปะเมวะสมิจจตตสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาประจายโนจตารโหธรมมวะธานติ อายุวนโนสุขังอลังเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงสนทนากันถามตอบกันมีทั้งทางบ้านนะมีทั้งที่นี่ใครอยากจะถามก็ถามได้ทางบ้านเขาก็จะเขียนส่งข้อความเข้ามาแล้วก็จะมีพิธีกรช่วยอ่านคำถาม แล้วก็ตอบกลับไปคนที่ติดตามทางบ้านก็ฟังคำตอบได้สดๆร้อนๆเลยสมัยนี้ทันสมัยอยู่ทั่วโลกสามารถติดต่อกันได้บางทีก็มีชาวต่างชาติอยู่ที่สหรัฐอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่สิงคโปราอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาก็จะส่งข้อความเข้ามาถามเราก็ตอบไปปั๊บเขาก็ได้ได้รับคำตอบทันที อันสมัยมากมีคาถามกระถามรึปล่ปากะถามากว่าถ้าบริการพูดโทค่ะถ้าแบบว่าไม่หยุดอะค่ะจะทยังไงไม่หยุดแต่ ว, ว่าพทโท ร, ราหยุดไม่นนุ้ก็กลับมาพูดโท่ะว่าคือพูดโทไม่หยุดไม่ให้หยุด่ห้ี้ยไงไงคะ่ะคือยังนกูทโทรูทโทรไปเรื่อยอย่างเง <S <S ี้ยก็นไปเไปเรื่อยเอ่านึไปเรื่อยถ้ามันถ้าไม่มีคิดอะไรก็หยุดได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็หยุดพุดโธได้ถ้ามันดูเฉยเฉยมันดูมันอยู่เฉยเฉยแต่พอมันไปคิดกังวลถึงคนนั่นคนนี้แล้วก็พูดโธพูดโธกลับเข้ามาเราต้องการดึงจิตให้ <c oughs> ให้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้มันไปหาสิ่งนั่นสิ่งนี้ถ้พูดโธรหาจะดูอยู่ที่ตัวดูไปเรืยใช่ไหมครับดูที่ร่างกายเราก็ได้ <c oughs> ดูว่ า, า, า <c oughs> ตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังทำงานอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำไม่ให้ทำงานแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้พอมันคิดก็แสดงว่ามันไม่ได้มีสติแล้วนนพุดโธใหม่ก็ได้หรือดึงกลับมาว่ากำลังกินข้าวกินข้าวกินข้าวตักข้าวตักข้าวเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้วืนคืนคื น, คนดึงใจให้กลับมาอยู่ กับร่างกายกับปัจจุบันอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะแล้มันจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะร้อนขึ้นมาจะเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาบางทีคิดไปคิดคิดถึงคนที่ตายไปแล้วก็ร้องไห้อยากจะให้เขาไม่ตายอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆนั่ น, นต้องคอยควบคุมความคิดต่างๆ แต่ถ้าเวลาทํางานต้องใช้ความคิดกับงานก็คิดก็คิดไปได้เช่นกำลังทาบัญชีคิดบัญชีมันก็ต้องใช้ความคิดแต่ความคิดเกี่ยวกับการทํางานมันมันไม่เป็นโทษมันไม่เป็นมันไม่ได้ทำให้ใจเครียดจำให้ใจไม่สบายแต่ถ้าไม่คิดอะไรได้ก็ดีกว่าเพราะถ้าคิดมันก็ยังไม่สงบถ้าจะคิดก็ต้องคิดอยู่เรื่องเดียวสิ่งเดียวเช่นพุทโธพุทโธ่เดียว มันถึงจะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ดนั้นคนที่เขาต้องการทำสมาธินี่เขามักจะออกจากงานกันนะหรือคนที่ทาฝึกสมาธิเขาก็ต้องไปทำในวันหยุดในชะ่ในวันหยุดทำงานบางคนเขาก็ไปอยู่วัดกันญนะาติพี่น้องสมัยก่อนพอหยุดทำงานวันพระวันโกนหยุดทำไรถ่ายนาก็ไปอยู่วัดกัน ไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมกันแล้นถ้าจะปฏิบัติธรรมนี่มันต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นถ้าต้องทําภารกิจอย่างอื่นมันจะสวนทางกันการทํางานมันต้องใช้ความคิดการนั่งสมาธิการทําใจสงบต้องการหยุดความคิดมันก็เลยขัดกันไปด้วยกันไม่ได้ก่อนที่ต้องการให้ใจสงบไม่คิดก็ต้องไม่ทํางาน ทำเท่าที่จำเป็นทำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอจะได้มีเวลาว่างมาหยุดความคิดกันถ้าหยุดความคิดได้แล้ว น, นั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นหนึ่งแล้วใจก็จะมีความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปเดิมอะไรต่อไปก็จะได้ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยง เวลาพึ่งเขาได้ก็สุขเวลาพึ่งไม่ได้ก็จะทุกข์พึ่งสิ่งที่เราเพึ่งได้ตลอดดีกว่าคือความสงบนี่อพอเรารู้จักวิธีทําใจให้สงบได้เราก็จะสามารถทําให้มันสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการถจาจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจิดเข้าเขาวันไปก็อนอนก็จะนิ่งอ่ก็เราต้องการให้มันเข้าเลย ที่ดึงมาเขาแพ่ใ้มันเข้าพอวังให้มันสงบนิ่งเฉยเฉยแล้วก็เสพความสุขที่เกิดจากความนิ่งถ้ามันเข้าถึงจุดนั้นจริงๆมันจะมีความสุขมากมันจะไม่อยากออกมามันจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรนี่คือตัวฌานช่มตัวฌานตัวสมาธิสมาธิาธก็คือฌานสมาธิมีหลายขั้นก็แบ่งเป็นฌานจิตสงบนี่มีหลายระดับเหมือนเกียร์รถยนต์ เกียรถยนก็มีหลายเกียร์ความเร็วของรถก็มีหลายหลายระดับเกียร์ต่ำก็ช้าหน่อยเกียร์สูงก็เร็วหน่อยชานหนึ่งก็สงบน้อยหน่อยชานสองก็สงบมากขึ้นสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆถึงชานแตดแต่เราต้องการแค่ชานสี่ก็พอชานสีนี่ก็จิตก็จะสงบนิ่งมีความสุขเป็นอุเบกขาพอละต้องการอุเบกขา ตับเบค้าก็คือใจไม่หิวไม่อยากกับอะไรแล้วเราก็ใช้ตัวนี้มาสู้กับความอยากเวลาออกจากสมาธิมามันอยากได้นู่นได้นี่ก็บอกว่าอยากเราจะทุกข์นะเพราะเดี๋ยวจะต้องผิดหวังเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนได้มันจเจริญนั่นมันสื่อมได้มันก็จะไม่อยากต่อไปมันก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะมันไม่ต้องไปอาศัยอะไรมาให้ความสุข อนนี้เราทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะเราใสายสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราพอเขาไม่เขาเขาไม่เที่ยงเขามาหายไปเขาหมดไปเราก็ทุกข์กั น, นเราจรึงต้องมาหาความสุขแบบใหม่ก็ต้องตตยเต้าจากขั้นต่างจากการทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็มานั่งสมาธิกันแล้วก็มาใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากนี่ที่ทำให้เราทุกข์กัน เวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็อยากไปทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปถ้าไปทําตามความอยากมันก็จะไม่หมดมันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆเหมือนคนอยากสูบบุหรี่พอสูบบุหรี่เหล๋ยวมันก็อยากสูบใหม่ก็จะสูบไปเรื่อยๆถ้าอยากจะสูดบุหรี่อยากจะหยุดสูบบุหรี่ก็ต้องเวลาอยากก็ไม่สูบเวลาอยากไม่สูบไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หายอยาก ความอยากก็จะหายไปความอยากจะหายต่อเมื่อเราฝืนมันไม่ทําตามมันถ้าเราไปทําตามมันเราก็จะไปสร้างความอยากใหม่ให้โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมีอะไรไหมยเข้าใจอไหมต้องมาฝึกสติเยอะๆทําใจให้สงบให้ได้ใจสงบแล้วทีนี้ก็จะสู้กับความอยากได้ตอนนี้คือตัวสมถะใช่ไหมครับอเอาสมถะก่อน ใ, ให้จิต ม, มีความสุขก่อน พอมีความสุขแล้วพอจิตไปมีความอยากก็ใช้วิปัสสนามาสอนว่าอย่าไปทํากาลังไปหาทุกข์กันเพราะความอยากจะนําไปสู่ความอยากไม่มีสิ้นสุดในคือก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้ว่าอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันต้องมีวันหนึ่งที่จะไม่ได้ดังใจอยากพอไม่ได้ขึ้นมาก็เสียใจทุกข์ใจหรือสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็เสียใจทุกข์ใจ เคยครั้งหนึ่งที่ปฏิบัติค่ะหมายถึงว่าไปนั่งสมาธินะคะที่ที่วัดที่หลวงตามหาบัวครัไปนั่งปุ๊บแล้วจะมีแบบว่าหูใจแบบว่าพอใครเดินมาเราจะรู้ได้ยินแต่ใจไม่ไปจิตใจเป็นอูเบกาแล้วมันเหมือนว่าจิตดิ่งลงไปเนี่ยค่ะวนไปวุ้บเหมือนเหมือนทาไม่ชิดนะตกหลุมตกวอลแหละแล้วตอนนี้มันจะมีเหมือนลูกตาแบบลอยมาจะมูกลอยมาอย่างนี้คืออะไรคะเจ้าค่ะอ๋อนั่นเปนก็เป็นภาพหลอนหลอกเราเฉยๆไม่ต้องไปสนใจให้ให้ใจสงบอย่างเดียว กาเคยไปแค่ครังนั้นคั้งเดียวก็เลยรู้สึกว่านึกอยากจะได้ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิ เ, าเป็นจุดที่อยากจะให้ได้ เ, ไดเวลาจิตนั่งสมาธิมันก็อาจจะมีของแทรกเข้ามาได้แต่เราอย่าไปสนใจให้จิตเราอยู่กับพุโทโธไปถ้ายังพุโทโธได้ก็พุโทโธไปแต่ถ้ามันนิ่งสงบทุกอย่างหายไปก็ไม่ต้องพุโทโธน่ะน่ะเป็นถามพราจายเจ้าค่ะ ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายที่ว่าว่าเป็นอินทรีย์สังวรเนี่ยนะคะในชีวิตประจําวันเราต้องกําหนดในลักษณะใดเจ้าคะ่ะยากเพราะในชีวิตประจำวันมันมันต้องออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาจึงไม่สัมรวมในชีวิตประจําวันเขาจะไปสัมรวมเวลาที่เขาไปปีกเว้เวกเช่นไปอยู่วดัดไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยอันนี้มันจะสัมรวมโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีรูปเสียงกดลิ่นรสที่จะมายั่วยวนกวนใจ แต่ถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองนี่รูปเสียงกลิ่นรสที่มันมีแต่รูปเสียงกลิ่นรถของกิเลสเท่านั้นะเห็นปั้มมันก็ร้อนขึ้นมาได้ยินปั้มมันก็ร้อนขึ้นมาคนที่ต้องการสํารวมมินสีจริงๆต้องไปอยู่ที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงแต่ถ้ายังจําเป็นต้องอยู่ก็ต้องใช้พุทโธหนึ่งไว้เท่านั้นเองต้องใช้สติหนึ่งไว้เห็นก็ใช้สักแต่ว่าเห็นอย่าไปลักอย่าไปชังจะไม่ลักไม่ชังได้ก็ต้องหยุดความคิดกับสิ่งที่เราเห็น ส่วนใหญ่พอเราเห็นอะไรเราจะคิดทันทีว่าดีไม่ดีพอดีก็รักขึ้นมาพอชังก็ก็เกลียดขึ้นมาที่เราก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธไม่ให้มันรักให้มันชงังให้มันรู้เฉยเฉยเห็นอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปถ้ามันไม่มีโอกาสคิดมันก็จะไม่รักไม่ชงังแต่พอมันมีโอกาสคิดมันก็จะรักจะชงังจะอยากขึ้นม า, ท, าทันทีมันก็ต้องใช้พุโทโธเท่านั้นให้ทําบริกรรมถ้าเรายังต้องอยู่กับ อยู่ใกล้กับรูปเสียงกลินรสต่างๆก็หาใช้พุทโธฝึกสติไปเรื่อยๆ <Tool. S 2> เพื่อดึงใจให้อยู่ข้างในให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำอย่าไปสนใจกับของภายนอกของที่ไม่เกี่ยวกับงานของเราถ้ายังต้องทํางานก็มีสติอยู่กับการทํางานของเราอย่าทะเลทลายไปดูอินเทอร์เน็ตอย่าไปดูหนังสือแฟชั่นอย่าไปดูอะไรพวกนี้แมันชอบทะเลทลา ไ, ไปเองก็ต้องดึงมันกลับ นี่ก็เรีกวิธีสำมรวมอย่างหนึง่งให้มันมีพุทธโทดึงใจไว้อยู่เรื่อยๆแต่มันจะเหนื่อยเพราะมันต้องเหมือนกับจับเหมือนกับจับปูใส่กระด้งจับตัวนี้เข้ามาอตัวนั้นเข้าไปแล้ว <c oughs> จับจับมาทางตามันก็หนีไปทางหูแล้วจ <c oughs> ากทางหูมัอไ้ทางทางกลิ่นทางเสียงอะไรมันมันมีอยู่ห้าตัวเนี่ยมันถึงยาก วี่ีจะจับไม่ง่ายๆก็พาไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่วัดที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมามาล่อใจมันก็ออกไปไม่ได้มันไม่รู้จะไปไหนไม่มีอะไรล่อให้มันไปดูไปฟังมันก็อยู่ไม่ได้ก็เบื่อเดี๋ยวอยู่วัดได้วันสองวันก็ขอกลับบ้านอยากจะกลับไปหาลูกเสียงกลิ่นรสไม่ใช่กลับไปไหนหรอกใช่ไหมเอลองไปอยู่วัดดูเลยเราไปบวชในขมัมมะดูไปสำโเป็นที์ บางทีกาจะอยู่ยาวๆอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีพุโทโธมันจะคิดคิดแล้วมันก็อยากอยากแล้วมันก็ทรมานใจร้อนใจก็จะทำให้อยู่ไม่ได้แต่ถ้ามีสติแล้วมันจะอยู่ได้มันจะไม่คิดมันจะไม่ร้อนมันจะเย็ น, นจะมีความสุขเดี๋ยวถามทางบ้านวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่ เฟซบุ๊กเข้ามาสูงสุดสี่ร้อยสองค่ะแล้วก็ YouTube มีเก้าสิบยุทิมีแดค่ะอ่าเดี๋ยวนี้มีสามทางแล้วทางเคเบลิลมันยังถ่ายทอดอยู่อ่ะถ่ายทอดตลอดถ่ายทอดตลอดถ้ากครอยู่แถวนาเกลียนี้จะมีบางละมุงเคเบลิลเขาถ่ายทอดสดยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะถ่ายทอดเฉพาะ ต, ตอนช่วงถ่ายทอดสดแล้ว<ล><ล>มีแต่ไม่มีดูดย้อนหลังยังไม่มียังไม่มีย่ชั่วโมงามีแค่ช่วงถ่ายทอดสดครับาั้งัของเขาอยู่อ ก็ช่องหนึ่งใช่ไหมครับช่องหนึ่งช่องหนึ่ง้ก็มีทางทางเลือกได้หลายทางก็ทุกวันก็มีคนติดตามมาแล้วเขาก็จะส่งคำถามเข้ามาวันนี้มีต่างชาติเข้ามา้ห ม, ม Michael Bird. อ๋อไมเคลเ บ, บิร์ดชาวอังกฤษให้ไมเคลฟังเข้าใจัห ม, ม <c oughs> ก็เป็ดกับไก่มาผสมกันมามาม า, มาเปรียบเทียบกันเป็ดก็เป็ดไก่ก็ไก่ พูดถึงเวลาที่เราเจ็บไายได้ป่วยกับพูดถึงเวลาที่เราไม่เจ็บไายได้ป่วยเขาเขาไม่เข้าใจคิดว่าเราจะ เ, าเวลาเจ็บไายได้ป่วยเราจะทรมารร่างกายไหมเจ็บไายได้ป่วยก็ต้องไปรักษามันแต่ที่เรามาฝึกซ้อมให้จิตเราอยู่กับความเจ็บเพื่อต่อไปเวลาร่างกายเจ็บเราจะได้เจ็บเพียงครึ่งเดียวคือเจ็บที่ร่างกายไม่ต้องมาเจ็บที่ใจแต่ถ้าเราไม่ฝึก ใจให้รับความเจ็บได้เวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายใจจะเจ็บขึ้นมาด้วยมันจะเจ็บสองชั้นพระพุทธเจ้าพระหลานนี้เจ็บชั้นเดียวเจ็บที่ร่างกายแต่ใจของท่านนี้เป็นปกติเหมือนตอนนี้เหมือนตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีความเดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกายเลยนี่คือวิธีที่เราต้องฝึกซ้อมกันเหมือนกับนักมวยต้อง ซ้อมชคกันก่อนก่อนที่จะขึ้นไปเจอขึ้นเวทีเจอของจริงเนี่ยต่อไปพวกเราจะต้องเจอความเจ็บกันเจอความตายกันแต่ถ้าเราซ้อมเราจะสามารถอยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยนี่คือเป้าหมายของการฝึกหัดที่เราต้องมาทรมานกันมาทรมานร่างกายด้วยการนั่งนานๆให้มันเจ็บเพื่อจะได้สอนใจให้มันยอมรับกับความเจ็บให้ได้ ใช้สติใช้ปัญญาสองตัวเนี้มันจะสามารถทำให้ใจรับกับความเจ็บได้พอใจยอมรับแล้วใจจะเฉยเป็นอุเบกขาจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายได้แต่ถ้าไม่ซ้อมไม่ก่อนพอเจอความเจ็บมันก็ตื่นตกใจโวยวายขึ้นมาร้องปวดร้องอะไรขึ้นมายังไม่ทันเจ็บก็โวยวายแล้วหมอบอกจะฉีดยานี่ยังไม่ทันฉีดเลยใจมันไปก่อนละ หมอบอกเดี๋ยววันนี้ต้องฉีดย้ายเข็มหนึ่งนี่ยังไม่ทันฉีดในใจไปแล้วโอยโวยเจ็บไปแล้วโก้ใจทุกไปก่อนนะแต่ถ้าเราฝึกใจให้เฉยได้หมอจะว่างานก็ตามใจหมอหมอจะฉีดก็ฉีดหมอไม่ฉีดก็ไม่ฉีดเอหมอไม่ได้ฉีดใจหมอฉีดร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายนี่คือวิธีแยากกายออกจากแยกใจออกจากร่างกายต้องแยกต้องแยกด้วยเหตุการณ์จริงไม่ใช่มานั่งคิดกัน อันนี้คิดได้เพราะใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันแต่พอเจอเหตุการณ์จริงมันรวมกันอยู่มันไม่ยอมแยกกันนี่เราต้องมาแยกด้วยการให้มันเกิดเหตุการณ์จริงนั่งแให้มันเจ็บเจ็บแล้วอย่าไปลุกอย่าไปขยับสอนใจให้อยู่กับแยกใจออกจากร่างกายให้ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปใจอย่าไปเจ็บกับมันถ้าไม่มีความอยากให้ใจให้ร่างกายหายเจ็บแล้วใจจะไม่เจ็บ ที่ใจเจ็บเพราะอยากให้มันหายหรืออยากให้มันเกิดไม่ให้มันมีความเจ็บนะพอมีความเจ็บขึ้นมาใจก็เจ็บขึ้นมาทันทีเลยคําำถามจากคุณธีรติค่ะจิตกับสมองทำงานกันอย่างไรครับถ้าวันหนึ่งสมองไม่ทางานหมดสภาพไปเราจะไม่สามารถปฏิบัติภาวนาได้เลยใช่ไหมครับคื อ, อสมองนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย เือนกับสมัยนี้รถยนต์สมัยใหม่นี้มันจะมีคอมติดอยู่ในในรถควบคุมการทํางานของรถใช่ไหมเนี่ยคอมก็เป็นเหมือนสมองของรถยนต์ส่วนใจนี่ก็เป็นเหมือนคนขับเหมือนคนละส่วนกันถ้าเกิดสมองเสียรถก็ไม่สามารถสตาร์ทได้วิ่งได้ก็ไปซ่อมสมองซ่อมสมองกลของรถแต่ถ้าถ้าแต่คนขับไม่ได้เป็นอะไรใจไม่ได้เป็นสมอง ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวโดยสั่งไปที่ให้ให้สมองประสานงานกับร่างกายประสานให้ขยับใจต้องการให้ยกแขนเนี่ยสมองก็สั่งไปที่เส้นประสาทบอกให้ยกแขนแต่ถ้าเป็นอัมาพาตขึ้นมามีมีเลือดมีเลือดอุดตันในสมองเนี่ยก็ไม่สามารถสั่งความสั่งไปที่แขนได้มันก็เลยยกไม่ได้สมองมีหน้าที่ดูแลควบคุมการทํางานของร่างกายไม่เกี่ยวกับใจ ใจเป็นผู้มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอีกที่หนึ่งเป็นคนละส่วนกันแต่มันก็ทำให้เราไม่เข้าไม่เข้าใจว่าอันไหนเป็นอันไหนเวลาที่เวลาที่ร่างกายเป็นเอามาพึ่อาม า, าพาดเนี่ยเราไม่รู้ว่าใจเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ร่างกายแต่ความจริงเวลาร่างกายเป็นอามาพึ่อามาพาดมันเป็นที่สมองสมองไม่สามารถสั่งงานให้ร่างกายทางานได้ ไม่สามารถสั่งให้แขนขายกขึ้นเดินได้แต่คนสั่งยังอยากสั่งอยู่สั่งให้มันลุกแต่มไม่ยอมลุกคือใจนี่อยากแล้วใจก็ถึงทุกข์ไงเพราะสั่งแล้วไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้ามาฝึกสมาธิให้หยุดความอยากได้ถ้าเมื่อใช้มันไม่ได้ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากใช้มันมันก็จะไม่ทุกข์แต่คนที่เปนเอนมาพานนี่ทุกข์เพราะว่าอยากจะให้ร่างกายทางานตามปกติ พอทุกข์มันก็เลยยิ่งเครียดทำให้ไม่อยากอยู่แล้วบางทีก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายแต่ฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้เปลี่ยนปัญหาปัญหาก็ยังอยู่ความอยากก็ยังอยู่ต้องมาฆ่าความอยากอย่าไปฆ่าร่างกายร่างกายมันไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือความอยากให้ร่างกายมันทำงานได้ตามที่ใจยอยากไดต้ต้องดูความจริงมันทำได้หรือเปล่าถ้มันมทาไม่ได้ก็อย่าไปอยากให้มันทา ก็นอนไปสิอยู่ไปตามสภาพของมันไปพอเราไม่มีความอยากทางใจใจเราก็ไม่เครียดไม่ทุกข์ใจเราก็อยู่อย่างมีความสุขกับร่างกายที่เป็นอมตะอมมาพาศได้มีพระปฏิบัติครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบนี่ท่านก็เป็นอมมาพาศท่านก็นั่งเก้าอี้รถเข็นของท่านไปนะก็มีลูกเสร็จเ ข, เข็นไปอยากจะไปไหนก็มีคนเข็นไปให้พาไปได้ใจท่ไม่มีความอยากท่านก็อยู่กับมันไปใช้มันไม่ได้ก็ดีไม่ต้องใช้มัน ก็นั่งสบายมีคนเข็นรถให้มีอะไรให้แต่ท่านก็ไม่มีความอยากไปไหนถ้าไม่มีใครมาเข็นให้ท่านไปไหนมา น, านั้นท่านก็อยู่ที่กุติของท่านไปใจท่านไม่เดือดร้อนกับร่างกายเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่พวกเรานี่ยังต้องใช้ร่างกายหาความสุขอยู่ใช่ไหมพอไม่ใช้ใช้ร่างกายไม่ได้นี่ก็เครียดเหมือนกับเราใช้รถยนต์พาเราไปไหนมาไหนเนี่ยพอรถเสียเป็นไงเครียดเราเสียใช ต้องไปหารถคันอื่นมาแทนใช้แทนไปก่อนแต่เราหาร่างกายคนอื่นมาใช้แทนไม่ได้นลยอย่าเพิงบอกว่าให้มาหาความสุขทางใจกันเพื่อเราจะได้เลิกใช้ความสุขใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเวลาร่างกายเกิดเสียไปเกิดเป็นอะไรไปเราจะได้ไม่เดือดร้อนคํถาถามจากคุณอนองนา เวลานั่งสมาธิแล้วตั้งใจมากๆถ้าเกิดมีเสียงอื่นแทรกขึ้นมาเช่นเสียงไอหรือจามของคนที่ร่วมปฏิบัติซึ่งเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังมากแต่ก็ทำให้เกิดอาการสะดุ้งอย่างแรงและใจหายต้องเริ่มตั้งคำบริกรรมใหม่ควร ม, มีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับก็สติแล้วยังอ่อ น, นยอย่างน้อยมากก็พยายา ม, มฝึกสติบ่อยๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไปนั่งคนเดียวดีกว่าวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องนี้ต้องนั่งคนเดียว ที่นั่งรวมกันก็เพราะว่าถ้านั่งคนเดียวแล้วมันจะทะเลทลายมันไม่ยอมนั่งเดี๋ยวนั่งไปปุป๊บเดี๋ยวเผลอมือไปเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะเลยต้องไปนั่งหลายๆคนจะได้มีอะไรมาคอยคุมไม่ให้เราไปทะเลทลัย ห, หรือขี้หรือขี้เกียจถ้าเรานั่งคนเดียวมาถึงเวลานั่งบางทีไม่ไม่อยากนั่งนอนดีกว่าแตถ้าเราไปปฏิบัติอยู่ในที่ในคอร์ส ท, ที่เขาจัดเวลาไว้ เวลานี้ต้องนั่งน ะ, ะถึงเวลาก็ต้องมานั่งรวมกันมันก็ได้อย่างเสียอย่างได้ความเพียรคือขิดเกียดไม่ได้ถึงเวลาต้องนั่งแต่ได้ส่วนที่เสียก็คือนั่งหลายๆายคนเดียวมันก็รบกวนกันเดี๋ยวคนนั้นก็ขยับคนนี้ก็ไอมันก็จะรบกวนสมาธิเพราะเรานั่งใกล้กันติดกันยังถ้าเป็นไปได้ฝึกสติให้เยอะๆแล้วก็ไปอยู่ไปนั่งคนเดียว เราต้องมีวินยัยเราต้องจัดตารางของเราเองวันนี้เวลานี้จะนั่งสมาธิเวลานี้จะเดินจงกรมเวลานี้จะสวดมนต์จัดให้มันเป็นตารางแล้วถึงเวลาก็ทาตามตารางเราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติกับคนอื่นคนที่ไปปฏิบัติกับคนอื่นก็เพราะาตัวเองไม่มีตารางจัดตารางไม่เป็นไม่มีวินัยในตัวเองไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ปฏิบัติตามตารางที่จัดไว้ได้ ก็เลยต้องไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่ในอคอกให้เขาจับเข้าคอกให้เขาแต่ก็อยู่ได้ไม่กี่วันอย่างมากก็สามวันเจ็ดวันก็อยากจะกลับบ้านแล้วแต่การปฏิบัติจะให้ ไ, ได้ผลจริงๆเนื่องมันต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันจ น, นถึงจะได้ผลเหมือนกับปลูกต้นไม้เนะี่ยถ้าเราลดน้าทุกวันเนะี่ยต้นไม้มันจะเจริญเติบโตถ้าเรานานๆมาลดสักครั้งนะ่ต้นไม้ตายไปซะก่อนหรือไม่เจริญเติบโต เานัถ้าเราอยากจะได้ผลเราต้องมองว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติระยะยาวไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็จะบรรลุ ข, ขึ้นมาอันนี้ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆขณดคนที่เขาปฏิบัติทุกวันพระที่มาบวชนี่ยังดูประวัติหลวงตาเนี่ยท่านใช้เวลาถึงสิบหกปีท่านถึงจะบรรุธรรมพวกเราปฏิบัติแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะมาบรรลุธรรมกันนี่มันคงจะมัน ก, มนก็มันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะ คนเขาปฏิบัติทุกวันเป็นพระรักษาศีลบอร์สุดอยู่ทุกวันเจริญสติอย่างทั้งวันอย่างใช้เวลาต้อง16ปีกว่าจะหยุดความอยากต่างๆได้เราต้องออมีเหตุมีผลทําอะไรก็ถ้าเราอยากจะได้ผลเราก็ต้องทุ่มเทเหตุเห ต, เหตุก็ต้องทํามากๆทําบ่อยๆแล้วผลมันก็จะตามมา แต่ถ้าทำแค่ผลสองผลแล้วอยากจะได้ผลนี่มันก็ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลคาถามจากคุณพมอยากจะรู้กรรมฐ า, านอะไรถูกกับจริตเราต้องทำอย่างไรครับก็ลองดูสิเหมือนเราซื้อร อ, องเท้าเราก็ไปลองใส่ดูใช่ไหมเลือกรองเท้าคู่นี้ถูกกับเราไหมไม่ถูกก็เปลี่ยนคู่นั้นคู่นี้ใหญ่ไปคู่นี้เล็กไปก็หาขนาดที่มันพอก็ทดลองดูได้ลอง แต่เราว่ามันไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานแล้วมันอยู่ที่สติถ้าเราไม่มีสติอยู่กับกรรมฐานไหนมันก็ไม่อยู่พุโทโธได้สองคํามันก็ไปดูร่างกายได้สองสามครั้งมันก็ไปแต่ก็ไม่แน่ในของบางอย่างอาจจะอยู่ได้นานก็ได้บางคนชอบดูโครงกระดูกแล้วอยู่ดูโครงกระดูกได้เรื่อยๆมองไปทงไหนมองเห็นคนก็เห็นแต่โครงกระดูกเขาานี มันส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่เราเคยฝึกมาในอดีตถ้าเราเคยฝึกมาในอดีตมันจะติดเป็นนิสัยมามันก็จะทําง่ายเหมือนเราใช้มือขวามือซ้ายนี่มันเป็นมันเราฝึกมาตั้งแต่อดีตแล้วทําไมเราถึงใช้มือขวามือซ้ายกันเพราะอดีตเราเคยใช้มือซ้ายมือขวากันเราเราเกิดเราถนัดมือไหนเราก็จะใช้มือนั้นเราชอบสีไหนเราก็จะเลือกสีนั้นใช่ไหม เราชอบอาหารชนิดไหนเราก็จะเลือกแต่อาหารชนิดนั้นเพราะนี้มันเป็นนิสัยของเราเราเคยชอบมันมาในเด็กงั้นก็พยายามอหาหาอะไรที่มันชอบเราชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นไปท่านหนึ่งมีกรรมฐานสี่สิบชนิดให้เลือกชอบพุโทโธก็พุโทโธไปชอบยุบหนอพองหนอก็พองหนอไปชอบดูลมหายใจก็ดูไปชอบดูร่างกายเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูไป จับดูอาการ32ก็ดูไปมีหลายวิธีให้เลือกเอาคำถามจากคุณไอเบอร์รี่พยายามฝึกปฏิบัติเองที่บ้านตั้งเป้าหมายว่าจะปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นเช้ามาก็สวดมนต์เดินจงกรมพอทำกิจกรรมเหล่านี้เสร็จก็ไม่รู้จะปฏิบัติอะไรต่อถึงจะปฏิบัติได้ทั้งวัน ขอหลวงพ่อเมตตาและนำด้วยค่ะอ่าก็เดินโยงกลมนั่งสมาธิมาที่ต่อไปเลยนั่นฝึกสติไปอย่างเดียวควบคุมความคิดดึงความคิดว่าอย่าปล่อยให้ใจทะเลทลายไปคิดเรื่องต่างๆเพอเดินจงกลมเมื่อยก็มานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิไม่เมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเพียนได้ว่ามันจะเบื่อซะก่อนปัญหาคือมันจะสู้ความเบื่อไม่ได้ความเบื่อก็เกิดจากความอยากจะไปทําอย่างอื่นะอยากไปเที่ยวแล้อยากจะไปดู อะไรแล้วอยากจะไปฟังอะไรแล้วมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราทำมันเบื่อเพราะเรายังไม่ได้ผลนะแต่ถ้าเราทำได้ผลแล้วมันจะไม่เบื่อมันจะติดใจมันจะชอบมันจะไม่อยากจะไปทำอย่างอื่นยังต้องพยายามทำให้ได้ผลถ้ายังไม่ได้ผลเวลาเบื่อก็อยากก็ทนความเบื่อไปเดินไปมันจะเบื่อกูก็เดิน ก, กูจะเบื่อกูก็จะนั่งกูก็จะพุทธงของกูไปดูลมหายใจไปต้องสู้กับความเบื่อให้ได้ ที่เราปฏิบัติกันไม่ได้นานก็เพราะมันเบื่อท่าน้นถ้ามันไม่เบื่อแล้วรับรองได้ปฏิบัติแล้วมันสนุกมันมันยิ่งปฏิบัติยิ่งมีสติตลาดจิตยิ่งนิ่งจิตยิ่งสงบยิ่งสบายเหตุพยายามช่วงแรกๆนี้มันจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันต้องต่อสู้กับความเบื่อต่อสู้กับความอยากเยอะแต่ถ้าเราสามารถทําให้มันสงบได้ครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ความเบื่อความอยากมันจะอ่อนกําลังไปเยอะถ้าเป็นนกมวยก็เหมือนถูก ถูกเข้านับแปดเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้ของเราถูกชกล้มลงไปแล้วนับแปดนี่พอขึ้นมานี่มันจะไม่มีกําลังเหมือนเมื่อก่อนนะเราก็สามารถลุยมันได้เลยครั้งต่อไปมันก็นับสิบเล ย, เยพยายามต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องมีความแน่วแน่มีความเพียรมากๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นให้คิดอย่างนี้ พยายามสร้างสติตัวเดียวนี่แหละอย่าไปกังวลกับเรื่องอื่นตอนเริ่มแรกนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญาเรื่องอะไ ร, รให้เดินจงกรมเรื่องสมาธิให้อยู่กับเรื่องเดียวคิดอยู่กับอย่างเดียวพุโทโธก็ได้ร่างกายก็ได้ออย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วมันจะอยากแล้วมันจะเบื่อแล้วมันก็จะไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันก็ยกทงขาว เราเคยแล้วก็ผ่านมาแล้วทุกข์แต่ะพะเราพักสักครั้งสองครั้งมันได้สติไปกลับมาก็เหมือนเดิมไปกลับมาก็ต้องมาเจอที่เดิมอย่นีก็ต้องมาเจอปัญหาเดิมยันถ้าเจอปัญหาเดิมก็ลุยมันเลยดีกว่าเอาให้มันผ่านไปเลยดีกว่าไม่มันก็จะไม่มีวันผ่านไปพอมาเจอความเบื่อก็ถอยเจอความเบื่อก็ถอยมันก็ผ่านไปไม่ได้วิธีจะสู้ความเบื่อก็ฝืนใจนั่งสมาธิไปดูลมไปพุโทโธไป นั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินไปต้องสู้กันรู้สึกในประวัิของพระเจ้านี่ท่านพยายามถึงสลบสลายถึงสามครั้งเลยมันต้องสู้สู้กับกิเลสมันไม่ได้สู้กับร่างกายร่างกายมันไม่มีอะไรแต่ตัวกิเลสมันทําให้เรารู้สึกว่าเราทุกข์ทรมานมากแต่จริงร่างกายมันไม่ทุกข์ทรมานอะไร คำถามจากคุณพิ่ับปัญญาอบรมสมาธิคืออะไรครับเวลาเราใช้สติอบรมไม่ได้ใช้พุโทโธไม่ได้ฉันพุโทโธพุโทโธไปห่วงแฟนแฟนจะไปมีแฟนใหม่หรือเปล่าตอนนี้แฟนไปอยู่กับใค ร, รใจไม่สงบใจไม่อยู่กับพุโทโธก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าแล้วแฟนเรามันสุขแฟนเรามันเป็นอันนี้มันเป็นอ้อย่างทุกข์ขังหรือเปล่าแฟนเรามันเที่ยงแท้แน่นอนหรือเปล่า แฟนเราชอบจะเป็นเราเป็นแฟนของเราไปได้ตลอดหรือเปล่าแฟนเราก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมเขาอาจจะชอบเราวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไปชอบคนอื่นก็ได้เขาเปลี่ยนได้เขาเป็นอนิจจังแล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาเป็นอนัตตาเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้พอเราเห็นแฟนว่าแฟนเราเป็นอนิจจังอนัตตาเราทุกพอเราไปอยากให้เขาเป็นนิจจังอัตตาเราอยากจะให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนอยากจะให้เขาเป็นของเรา มันมันเลยทำให้เราทุกข์เพราะความอยากพอเราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็หยุดความอยากปล่อยเข้าไปเขาอยากจะไปก็ไปเขาอยากจะไปเป็นของกุลอะไรก็ห้ามเขาไม่ได้พอพิจารณาด้วยปัญญานี้ใจก็จะสงบหายวุ่นวายกลับมาพุทโธต่อได้นี่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเหมือนกันหมดมันใช้ตายรักษได้หมดเรื่องเงินทองเรื่องข้าวของเรื่องงานการเรื่องอะไรต่างๆนี้มันทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้พอไปอยากไปควบคุมบังคับมันปั๊บเนี่มันเลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีพอเราหยุดความอยากที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นปายตามคามต้องการของเราได้แล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ก็่ามันใจเราจะสงบแล้วก็จะนั่งสมาธิได้อย่างสบายนี่เลยว่าปัญญาอบรมสมาธิ เอค้งค uh, hey, ำถามจากคุณนวพรโยมมีคนรู้จักที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมตอนแรกโยมเห็นเขาปฏิบัติดีทําบุญทำทานเยอะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพภาพ ป, ปากกระถิ่งอยู่บ่อยๆพอตอนหลังเห็นเขาเหมือนคนเสียสติพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องคนรู้จักทั่วไปเขาก็ว่าเข า, า, เข า, า, เขาบ้าโดนทําัลยศาสตร์บ้างโยมอยากทราบว่าจิตเขาตั้งมั่นปฏิ บ, ตบัติศีลเขาบริสุทธิ์ ขอจะเป็นคนเสียสติได้ด้วยหรือเจ้าคะเอ่อแล้วแต่เนี่ยมันคือศีลมันไม่ได้ทำให้คนไม่เสียสติหรอกแม้แต่สติก็ยังทำให้คนเสียสติได้ mm hmm. เพราะว่าความเสียสติมันอยู่ที่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบซึ่งถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะแนวคอยคอยบอกทางนี้ก็จะหลงทางได้แล้วก็จะเห็นผิดเป็นชอบ ก็จะทาให้เป็นคนเพี้ยนไปคนเสียสติได้ยั้นการปฏิบัตินี้ต้องมีครูบาอาจารย์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นผู้นำเราต้องศึกษาพระธรรมคาสอนต้องมีถ้ามีคำถามไม่เข้าใจต้องเข้าหาอย่าไปอย่าไปเชื่อความคิดของเราเราความคิดของเรานี้ตอนนี้ยังมีอวิชชาครอบงำอยู่มันจะหลอกเราให้เห็นเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวได้ งัก็ต้องระวังถ้าปฏิบัติอย่าปฏิบัติด้วยด้วยโดยลำพังควรหาหาครูบาอาจารย์ผู้ที่ประสบ ป, ประการจะปลอดภัยกว่าเอาแล้วนะก็คิดว่ามีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีนะนี่ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพพีิรพิจารณาไปปฏิบัติ